ก็ฟังทมตามปกติเขาถือว่าเป็นอาชีพของพวกเราศึกษาและทมเป็นเครื่องเรียนชีวิตการจะได้สิ้งที่มาเรียนชีวิตก็ต้องในการศึกษา <c oughs> การศึกษาก็คือการได้ยินในฟัง กออกมาขบไอ่เที่ยวการออกมาภาวนามาทำํำไมมากมันเจริญให้มากจึงจะมีมนกักบวชเท่าทรซับฝันข ย, ยันก็ย่อมหาซับได้ฝันเกลียดข้างก็หาซับไม่ได้อยาได้จนจะได้จนจิต จ, จนใจความจดของจีบอิญฉาคือความทุกข์ ความโกรธความโลภความหลงความวิตกกังวลความเศร้าหมองเป็นความจนของจิตถ้ามีอริยทรัพย์ภในแล้วจะไม่จนจะมีความสาดสาว่างสงบอยู่เสมอพอเราลูกแกงเห็นจริงในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เราจะฉเฉลยหรือตอบไม่ได้ เรื่อของชีวิตก็สะดวกแล้วก็คือเรื่อ ข, อ ข, ของกายของจิตที่เป็นภายใน <c oughs> ตรงนี้เรียนให้จบเรียนไม่จบตรงนี้ก็มีปัญหามาส่วนภายนอกก็เราก็ในอาชีพยอยู่แล้วอะปัจจัยมาเรียนชีวิตอยู่แต่ว่าชีวิตที่เป็นภายใน เรื่องกายหรือจิตใจยันเป็นต้นต่อเป็นหลักเราะจะต้องเรียนให้จบจนเลยหมอนกับพระพุทธเจ้าว่าถัดว่าชาดสิ้นแล้วครามไม่จันยร์จบแล้วจิตอื่นที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วคือมันสิ้นแล้วมันจบแล้ว ผมว่าจนอยู่จบแล้วกิดอือ่นที่จะต้องทำไม่มีอีกสมายถึงเรื่องกายเรื่องใจของเราหลงพ่อเคยพูดปวดก่อนนี่ <c oughs> ว่ามีสติเห็นกายเห็นจิตก็จะเห็นเป็นโลกประธรรมเห็นเป็นนมามะธรรมกระบวนการการรื้อสอดถอน เห็นโลกทุกข์เนนามทุกข์ทุกข์ของโูกทุกข์ของนามในหลายอย่างทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์ทุกเสมอกันหรือว่าสามัญไม่รักษณะทุกข์ทุกที่เป็นทางกันทุกข์ทุกข์คงเหมือนๆกันการเหิื่อข้าวการปวดหนักปวดเบา กปวดขาวปวดแขนทุกที่เป็นมรรคตุกัดทุกทุกที่เป็นนิจระนาดทุกกระทุกตึงนิจทุกนิจ ก, ก็คือการหายใจเข้าหายใจออกการเคลื่อการเคลื่อนไการยืนเดนนนอนต้องต้องคิดอย่างนั้น มันเป็นก่อนทุกข์อันหนึ่งทุกข์อันหนึ่งมันเป็นทุกข์ที่เกิดจากสังขารการปลงแตะส่วนทุกข์เป็นนอากางตุกข์ทุกข์เป็นทุกข์ที่ต้องบันเทาปดหนักก็ไปหนักปดเบาก็ไปเบาปดหิ้วข้าวก็ไปกินข้าวบันเทาทุกข์จะเป็นสภาวะทุกข์คือทุกข์ต้องไหลไปเลื่อต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตาย อันนี้เป็นทุกข์ที่เป็นสภาพธรรมมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอาการ ด, ดูดีๆแล้วมันไปเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายเป็นอาการของเขาเป็นเรื่องของเขาเราก็รูกแก้แค่แบบแต่บางคนไม่รู้ก็ไปเอามาเป็นเรื่องถือเป็นเรื่องของเขาทำธรรมชาติธรรมชาติของโกูกข้างอยู่นีมันไหล ไหลอยู่มันไหลเลื่อยมันไม่ไเที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นใหญ่ได้ทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์ที่เป็นสามัญลักษณะทุกข์เนยสมรๆกันจะเป็นเจ้าข้อมากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีข่าบริแม้จะเป็นพระบริเจ้าก็เสมอกันไม่มีใครที่จะได้สิทธิอะไร ไม่มีใครฟ้งกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนย่อมละทิ้งในสิ่งทั้งปวงอันนี้จะเป็นทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์ทุกข์ของโลกประธรรม ท, ทุกข์ของนามธรรมาถ้าจะลงพ่อเคยตอบตอบได้อย่างงดงามให้ชื่อเพียงแต่ว่าเป็นอาการให้ชื่อเป็นอาการ แต่เป็นความร้อนความหนาวความอะไรก็ตามที่เป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยของฟองให้ให้ชื่อว่าเป็นอาการความโกรธก็เป็นอาการความร้อนความหนาวก็เป็นอาการความปวดความมั่วยก็เป็นอาการถกต้องที่สุดก็เป็นอาการของเขากายเป็นร้อนไมเป็นมันหนาวไม่เป็นมันหิวไม่เป็นก็ไม่ใช่ลูกลูกที่จะมีวิญญาณของ ที่มันเป็นรูปประธรรมมีนามวัธรรมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคนตายคนตายเนี่ยเอาเผอาเไฟไปเผาเอาเอะ ไ, อไันก็ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีรูปมันมีแต่รูปมันไม่มีนามก็ เ, เลยให้ชื่อเพียงเป็นธรรมชาติเป็นอา ก, การแต่ทุกที่เป็นทุกอเยสัตติทุกเป็นผลผลของสังขารทุกตรงนี้ตรงละต้องเก่นตัวไหน ไห่เก่งในตัวนี้ตัวเรเก่งในทุกที่เป็นสังขารและทุกทุกจากการปรงแต่งสังขารตัวนี้ ม, มาจากวิชาไม่ได้สังขารตามธรรมชาติสังขารในอุปท า, านคือเป็นอาชีพของเขาสังขารตัวนี้มันเป็นความขยันเป็นอาชีพของของของขันท่าที่เป็นอุปาทานหรือ ว, ว่าสมุ ท, ทยัย เป็นกุ๊บเดียวกบพอดสมุททยเอาจิงๆแล้วเนี่ยดูจริงๆนล้วก็คือมันเกิดจากความหลงที่เป็นตัวสมุทัยสมุทัยจริงๆเนี่ตัวหลงตัวสมุทัยเป็นตัวหลงตัวหลงก็คืออะไรคือตัวไม่รู้เลยตัวไม่รู้คือตัวอะไรคือตัววิชาถ้าวิชาเนี่ยแปลว่าไม่รู้ก็ไม่ถูกแล้วทุกนรู้ แต่ว่ารูปผิดเป็นความร้อนรูปผิดไปหว่าตนมีต้นอยู่ในความร้อนมีต้นอยู่ในความหนาวมีต้นอยู่ในความลักความฉันแต่ว่ารูปผิดแต่รูปถูกไม่มีตนความร้อนความหนาวเป็นอาการความโกรธเป็นอาการความอะไรต่างๆเป็นอาการสรุปเราจะเป็นทุกข์สามัญลักษณะทุกข์ทุก อาการตกกระทุบสมุทัยแต่ทุกสมุทัยทุกจะผิดผลของสังขารผุงแตกไม่ใช่อาการธรรมดาอั น, นั้นตกลงเราสามารถที่จะควบคุมดได้คงกําหนิดลทุกตัวเองมีมีสิทธิมีหน้าที่โดยตรงชีวิตของเราแต่เราไม่รู้จุดนี้ก็ก็ไปไกลอะไรประมาณปลายไป ถ้่เราไม่ร่มแก้ตรงนี้มันก็เสาศาลาหน้าวันเราถ้าเราไม่ร่มแก้อักเสษไปเลยบางต้นปลวเข้าไปอยู่ด้านในขึ้นไปถึงคานบนอ่ะคานล่างไปแล้วมันก็เกิดมาเร็งแล้วต้องตัดออกทิ้งไปเลยรักษาวัยวะ รักษาชีวิตต้องเสียวัยวะรักษาธรรมต้องเสียสชีวิตทุกสมุทัยนี่ก็เหมือนกันเป็นทุกข์ที่มันกบเลือถ้าตัวนี้เกิดขึ้นเราก็พังไปทั้งหมดเลยจะเป็นสามัญลักษณะทุกข์จะเป็นนิจะทุกข์เป็นรักขันตุกทุกข์ไปเรื่อยหมดเลยพังไปเเข้าควบคนไว้เลย ไเลือดของกายเป็นสเหตุที่ทำเป็นพิษไม่นำล้วงไปเลก็ตามไปเลยรวมเป็นโลกเป็นโลกของทุกไปเลยเป็นก้อนทุกไปเลยแต่ถ้าเรามาลู่เรื่องทุกอริศต์นะทุกสมัยตัวนทุกเพตัวไม่ล้นทุกเพตัววิชาก็ก็เปลี่ยนได้ให้ยากผมก็เคยพูดภาษาหลวงพ่อว่ามีตัวลู่กับตัวหลง เราทั้งหมดมีตลูกกับตหลงที่เรามาสร้างนเนี่ยเรามาสร้างตัวลูกมันเล่นงา น, นตัวนี้ไ ม, มันก็ย่อให้เรามันสรุให้เรากำหดเดียวทสอนพระพุทธเจา้าม่ว่าหลายเท่าเท่ากำไร ม, ม่ายในป่าปพระพุทธเจา้ามาสอนพวเราเมนกับไ ม, ไม้กำหเดียวในพระพุทธเจา้า ตามจากนี้เองที่เดินไปป่าสังสารสุปกับใบไม้เข้นมากำมือนังชูขึ้นให้พิสูุ์ทั้งหลายดูว่าพิสูจทั้งหลายใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าอันนมันมากกว่ากันที่ทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่าใบไม้ในกมืมของพระ อ, องค์พระพุทธองค์ก็ตรัส่านี้แหละ คำสอนของเราที่ดีมากฝังเข้าไปไม้ทั้งฝ่าแต่ว่าเอามาสอนจริงๆที่จะเป็นความจำเป็นจริงๆเร่ด่วนจริงๆก็คือใบไม้ก็มาเดียวคือตัวลูกกับตัวลงไม่ไปทางไหนเดียตวตรงนี้แน่นอนถ้า ต, ตัวลงกับฝ้ากทางอื่น้า ต, ตัวลูกก็หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแค่นี้หยุดแค่ลู้ อะไร้าไปไม่ได้ตัวลูกสิบ ต, ตัวเราจะมาสร้สางตัวไหนมาสร้างตัวลูกตัวไนในตั ว, ล, ต ว, ตวลูมนกังก็เกิดสังรวมลงเป็นการรักษาศีนตัวลูกตัว เ, เป็นการทำบุญเป็นการเจริญภาวนาเป็นที่เกิดรยกว่าบุญกิริยาวัตถุทานละไมศีลละไมาภาบรรณามายัยอยู่ในตัวลูกทั้งหมดต่มาทำบุญ เรมาสร้างเสถียรนั่นก็เรามาบุนบุญคืออะไรบุญที่จะเกิดตัวลูกบุญคือรูกบุญในปรมาจารย์่ชบุภาษาของโลกนะบุญบ้องไปบุญอะไรต่างๆสารพัดอย่างแต่ว่าบุญที่เป็นปรมาจารยสภาวธรรมคือตัวลูกตัวตัวลูกตัวบุญตัวรูก รูปบาปรูตัวไมปล่โล่โลโลหนามโล่โล่ทุกโล่ดังทุโล่สมุทรโล่บัญญัติโล่ปริมาณโลวัตถุอาการโล่ศาสนาโลพุทธศาสนาโล่บุญโล่บาจบลมันอารมณ์เบื้องต้นการเลือดถอนเบื้องต้นแล้ก็เราเลือถอนบาน เอาแฝดออกเอาหลังขาออกเอาเครื่องออกเอาจังทรนเอาคานบนเอาขือเอาตะดานพื้นเอาตรงเอาคานล่งงงางถอนตนสอบติดอ่านลือประสบผลจริงๆริงแต่ว่าไม่ใช่ลือ่อแบบนี้ เป็นการเป็นการคงกำหนดหลังจาทางวิชาการของโลกของการคงกำหนดของโลกเขาก็ตัดท่อน้ำอสุกิอะไรทลกเอรลเขา อ, อันนี้เป็นเรื่องัอนหนแต่ว่าการคงกำหนดของทุกของโน่นเป็ น, นรูปสมไทยจะไม่เกิด ความโกความโลกความหลงความไม่จบคลงหรือสลดเรื่องความทุกข์ความทุกอยู่ในนี้ตอนนี้โเหตุที่มันทุกข์เามันหลเที่มันหลงเพระมนไม่้เอาไปเอามามันก็อยู่ในกรเมของเราเห็นทุกที่เป็บทุก ที่เป็นนามทุกเกิดเกิดปัญญาเห็นสมมติมันพูดกันนวันสมมติมันหยักพได้รู้สมมติเปนบอกได้ไม่มีข้ า, ถ, าถ้าเปรียแล้วชีวิตของเราเนี่ย เราจะเหลือก็เหลือศูนย์เราะสมดุลได้เหลือศูนย์ม่มีค่าไม่มีค่าที่ให้เกิดความักความชังไม่มีค่าที่ให้เกิดความโสดความโลกความหลงไม่มีค่าที่จะให้เกิดทุกข์แล้รดนทุกข์ไตรงหนลู่ลูตัวคือลู่นแล้วเจะว่าแล้วลู่ ตุกตันลูกพกลูกชาตอนสมัยนู้นก็แบบปิ้งจิ้มจิ้มกันร้านตุกเนี่ยเป็นรถเเดียวตอนเผ็ดตอนเค็มตานหวานตามเปรี้ยวหลายเล แต่ว่าความจืดจะเป็นเรือเสียวความจืดเป็่มีค่าคือเรื่องกรรมความจืดก็ไม่เป็นอะไรความไม่เป็นอะไรไม่เป็นผู้ศกไม่เป็นผทุกข์ไม่เป็นผูรักไ ม, ไม่เป็นผู้ชมทมีแเ่ถึงตามความเป็นจริงหลวงปู่เทียนท่านเอาเงินไป จ, จัดต้นเด็กน้อย ก็เดินมาเห็นดนเราไปแกะเนี wow. ่ยไปแกะปวดตรงนิดหน่อยก็ดได้เราจืบขาเราบอกดิว่ามันเป็นยังง้มันจีบยังี้เราก็เลยเข้าใจการจีบยังนี้เราวานี่อกแล้วก็คนเดินก่อนแย่ใช่ว่มอันนี้เมืนจีบแต่นจุดพเราเดินไปเหยียบดินทรายที่นี่ เหนหน้าเพราะเราก็เยียบมันจืดต่หน้ามีไหลเนี่ยพรถอดขาออกไะด้านบนสูงก่อเราเห็นสมมลู่สมมติลูกำ ก, กับเดินอยู่ประละมัดประมตด ท, ที่เด็ดที่สุดพอไลู่สมมตินี่ประลมัดไม่เห็นไม่เห็นประมัด สัพพะละมัตต์เป็นเดนแต่เมื่อรื้อสมมติออกละมัตต์คือยังงต้อไม่เที่ยงนี้ก็เป็นลมัตต์ความเป็นทุกข์่เป็นละมัตต์าไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นละมัตจริงเด็ดไม่เที่ยงจริงเบ็ดเป็นทุกข์จริงเบ็ดไม่ใช่ตัวตนป็นลุกเข้าไปต้าไม่เที่ยองมีจริง อภิพลไม่เที่ยวเนี่ยแต่ไปเที่าวแต่ต้องเป็นคนจริงบอกคนเลยเถอะเป็นคนจริงคมไม่โกจนเป็นพลังคนโกรนสมมติคมทุกข์เป็นสมมติคมไม่ทุกข์เป็นพลังเพราะนจิตติ์ตัวตัวที่ไม่เป็นเลยก็เป็นถูกต้องกว่าคมโกรธไม่ถูกต้องเลยคนไม่โกรธถูกต้องที่สุดคนทุกข์ไม่ถูกต้องเลย ตอนมีทุกฝูงกล้องที่สุดมีเป็นกลลมันตอนชีวิตของเรานี่เรามาตะลนสติอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นการมันเป็นก ร, ระบวนการแห่งการลู่ถอนถอนภพบอนชาติเป็นโลกประทานเงินนามมาทำเห็นกองลูกเป็นกองนาม เอ็นกองขันหน้าเอ็นกองขันเราจะดูขบวนการจำกบขัดข้ามในชีวิตของคนห้าคนแต่ละคนขยันเพื่อเพื่อจะอยู่ได้กองลูกเขาก็ขยัน กองเวทนาเขาก็ขยันกองสังขารก็ขยันกอนสัญญาก็ขยันกองวิญญาณก็ขยันมันเป็นกูุมันเป็นทีมทีมโลกของเขากอนโลกกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิยญาณแต่ละกองเอกขยันทำหน้าที่ เพื่อจะให้เกิดเป็นใหญ่เป็นอุปาทานแล่วเมื่อใดสร้างขึ้นเพื่อเข้าไปสู่อุปทานมันก็จะกลายจะเป็นพบเป็นธาตุเพื่อเพื่อความเ่วนกับเขาเพื่อกบเกี่ยวชีวิตเพื่อปกป่วนความจริงของชีวิต กองขันหา้าเขาทำหน้าที่เพื่อกเกื้อนชีวิตความเป็นจริงของชีวิตเราไปลู่ไปเหตุละอารมณ์ที่สองอารมณ์ ท, ที่สองจะไปรู้เรื่องคันห้าเรื่องศีลเงสมาธิเรื่องปัญญาไปลูลเ้เรื่องนันงกมันเกลี้ยนกัเรื่อยๆนะแล้วเราตัดน้าในบอก เราขุดน้ำบ่อไปเจน้ําการเจอน้ำบ่อใหม่ๆมันไม่ใสเดิมไม่ได้ต้องตักออกบ่อยๆต้องตักออกบไปไป่อยๆยิ่งตักเทไหน้ํายิ่งใสตักเทไหลน้ำยิ่งใสเพราะน้ำใหม่ไหลออกมาน้ําเก่าก็ตักออกความู้ที่เราไปรู้ไปเกี่ยวข้องเช่นความรู้สึกตัวเรวที่รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆก็เนี่ยควมู่สึกตัวมันพัฒนา เราไม่ใช่ลู่เฉยๆนะตัวลู่สักตัวแต่มันพัฒนาไปเรื่อยๆไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาโดยที่เราไม่ไม่ลู่ตัว เ, เลยมันไปข้างหน้าความลู่ที่เราเห็นเลื่อยๆจากการกระทำบ่อยๆไม่ได้ไปทำยากินละสร้างตัวลู่ลู่ไปไปจะดลำดับตัวอารมณ์อารมณ์มก็ช่วยเรา ลูกตามมาช่วยกองลูกประทังทองน้ำมาถางึงมองอะไรเห็นเป็นเพียงลูกเพียน้ำมองอะไรเห็นเป็นธรรมชาติเนาการมองอะไรจะเห็นเพียงสมมุติเห็นเพียงวันหยัดมองอะไรเป็นวัตถุโดยการเห็นเดี๋ยวนี้อูมมีหยามันได้ยินเสียงน้ําข้างตกใส่สังหวะเสียงแต่บางคนก็อื ไม่ไหว้แย่แ ย, แย่ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่อากไม่ใช่เห็นวัตถุไม่ใช่เห็นอาการมันเป็นอุปทานมันเป็นลมไปขัดแยกแต่ถ้าเราดูเป็นวัตถุเป็นอาการานั่ธรรมดาหูลมนี้ผมก็ได้ยินน้าข้างมันมีเราก็ได้ยินเพราะว่าดังธรรมชาติมันมีแต่อาการนม้ําเพ้เขาไปทั้งหมดไม่มีอะไรบางทีก็อาจจะเป็นสิ่งกระดับไปในตัว เราก็ฟังไปในตัวรู ouais ้ไปในตัวเหมือนเนื so, ้อเพลงกับดนตรีสิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นเนื้อเพลงเสียงน้ำคลองตกเป็นดนตรีสักนส้นหดไปไ่ใช่โอ้ัวเอลาหลวนพอเงิก็ง่วงจะดีกว่าเงินี่งอาทิีย์ดังอะไรแคีบไกไๆแบะก็เลยไม่ทจเดินไปม่ไม่แค่นั้นไม่แค่นั้นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สมมุต ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่อาการมันก็มีตามันก็ด้เห็ น, น, ห น, ห น, น, นรูปรูรปมันเ็มีังลยลักษณะในหูมันก็ได้ยินในจมูกมันก็ได้จิ้นเี้ยมันก็เได้รสในกายก็สัมบัติี่นิตมันก็คิดไปรู้อะไรเป็นเออนี่มันเป็นวัตถุอาการไหนเมื่อได้ยินแล้วเกิดอาการขึ้นมาความพอใจความไม่พอใจกายเป็นวัดกลายเป็น สมมติกลายเป็นบรรดาักด์กายบป็นอุปถานยุบดากลายเป็นพวกเป็นชาตกตายเป็นชลาเมือะโสกับปริเทวทุกฝ่ายบนโลกเกดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งเกิดขีดขั้งขีดหงุดับขีดขั้งขีดหงเกิดความรักความรักกลับไปเกิดความชังความชังดับไปเกิดความทุกข์ความทุกข์ดับไปเกิดความสุขความสุกดับไปเกิดความหลงความหลง โกดับในกองขันห้าทวเจ้าไหวยังไงการเกิดทุกคราวเป็นทุกขลํำไปการยังรบพรงตัดผาสิบด้วนต้นตอนเนกาชาี่สังสลรเพระได้ตัดสิ้แล้วเป็นต่อจากเทวดา อเ น, นกชาติสังสารลังสันธาริสังอเนริสังเมื่อเราในยังไม่พบจานต์ไม่มีสติเราได้เล่นท่องเที่ยวไปในสังขารเป็นอเนประชาติคือความคิดการโกลงตกลงใดๆว่งท่องเที่ยวไปการเกิดทุกข์พาเป็นทุกข์ลำไปบัดนี้เราเห็นเจ้าเสร็แล้ว เจ้าสังขารเอ๋เราเห็นเจ้าเฉลี่ยโครงเรวนทั้งหมดของเจ้ารองหักแล้วยอดเรือ น, นของเจ้าเราลู่ลงแล้วเจ้าจะทำอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้วอกจฉลแล้วบ่เอาไปมตัดภาสิทนิ์ในขณะเป็นเรื่องต้นเรียกว่าปฐมมาสิทธิ์ปฐมคือดึงขั้นแรกเป็นขั้งแรกที่สะด มันไม่ใช่ชนะกันอาจจะชนะตัวเองนะอาจจะชนะคนอ้่ยชนะการเกิดดับไม่เกิดไม่ดับไปกแล้ไม่เกิดอากาศกิ ด, ดับแต่ไม่มีชีวิตหนึ่งเดียวชีวิตเดียวการผล ด, ดับของดวงดาวไม่มีเป็นชีวิตเดียวเป็นชีวิตเดียวก็หมดภลังานลงหมดพลังงานลง ไปก่อาานภรรยาคนนี้โอ้ลังบาปไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรในใจขอเพิ่มใจไม่ได้จะก่อนในรู้ว่าจะเป็นยังไงโคลโคลแปรแปรางทีสามีปัญญายกันแต่ยังไม่มั่นใจตางคนต้องไม่มั่นใจพี่น้องก็ไม่มั่นใจในรู้ว่าจะเป็นยังไงอันตรายของพอเป็น การฉายภาพเห็นเขาเรียกว่าอะไรบุพเพวาสานสติญาเห็นเห็นภาพเห็นภาพที่มันเกิดมันดับมันเป็นอะไรบ้างในใจเราพรึงไม่ได้คนคนเดียวเกิดรักก็ไม่คนคนเดียวเกิดชังก็ไม่ของสิ่งเดียวเกิดชอบของสิ่งเดียวเกิดควมไม่ชอบแล้วเตอมันจะเป็น พอมาลู่ลงเนี่เอาหยุดกันทีหยุดกันทีเราจะอยู่ตรงนี้แต่บางคนไม่ไม่มั่นใจไม่ใจก็ไม่มั่นใจไม่รู้วจะเป็นอะพรไม่มั่นใจจะอยู่ตรงนี้จะยงื่อยอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรไม่ใช่อยู่สุกโตไม่ใช่อยู่บุรีรัมไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไร ภาวะที่ไม่เป็นอะไรเป็นภาวะที่ทมไม่จันทรมไม่จันทรเจริญสิขาและธรรมเป็นเรื่องเล่นชีวิตถ้าคุณอะไรอยทมไม่จันทร์ไม่เจริญม น, นอดอยากมัอดอยากถ้ า, ถายิ่งตดก็ยิ่งอยากยิ่งทุกข์ก็ยิ่งยากไม่อดไปยาก ไ, กไม่ทกไปยากก็เปลี่ยนกนะันไล่ อยู่ตรงที่ภาวะไม่เป็นอะไรกลับไปบ้านวันนี้นะกลับไปบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรไ<ม>ไไเห็นนี่จะเห็นนี่ด้เห็นนะบัดหลงพ่อไปพูดภาษาหลวงพ่อว่าเป็นผู้เห็นไม่ได้เป็นผูน้เป็นเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้อยู่อ่าพูดแบบไน้อหลวงพ่อ <c oughs> ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นเลย เห็นอะไรเห็นในตัวนอกตัวตาในตาเมื่อตาในเห็นเห็นลึกเห็นกลมลุ่มของชีวิตไม่ได้เป็นกับมันมันสุขก็ไม่ได้เป็นสุขมันทุกข์ก็ไม่ได้เป็นทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยอ้าวเห็นหนึ่งไม่ได้เป็นเลยมันก็มีขันเท่ามันก็มีคนหนุ่ยตายมันก็มีร้อนมีหนาว ไปเอาตาก็หนาวเพราะว่าพายุเขากันเย็นหน่อยโอ้เมื่อธรรมดาเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวถ้าเป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวต่เป็นสองต่อทุกกายเราไม่พอยทุกใหญ่เข้าไปโดยสุขเป็นสุขแล้วเราก็จุดจุดเนี่ยจุดดูเนี้ยเป็นจุดที่เป็นจุดที่เฉลยเป็นจุดผ่านเป็นมัด มักคือตัวผ่านได้ตลอดมันสุขผ่านความสุขได้ก็เห็นแล้วเอาว่าเห็นแล้วภาษาบาลีแล้วว่าอัญยาสีอัญยาสิรู้แล้วรู้แล้วอันร้อนก็รู้แล้วอันหนาวก็รู้แล้วอันไเที่ยงมันเป็นพวกรู้แล้วมันกรธ